บุ๊กทห้าสิบสี่ซื้อของที่ฉันต้องการซื้อของขวัญแต่เอาที่ไม่แพงมาก але не дуже дорогий. Адже це є клепають. Можливо сумку. Кун як д а й сі а р а й Якого к о л ь о р у ви б хотіли? Сідам, сі н а м тан, ру сі кав. Чорного, коричневого чи білого. ใบใหญ่หรือใบเล็กใหลิกูชิมขาเล็กกขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะชินอจากดูใบนา้หน่อยไน้ติใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะหรือว่าทำจากพลาสติก ทำจากหนังแน่นอนค่ะ ри, ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะ І сумка дійсно зовсім ดิฉันชอบค่ะ ЦЯ ม е น і п о д о б а วยซ้ำดิฉันเอาค่ะยาซูวิ้งมดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการฉันจะ у ปลี่ยอได้แน่นอนค่ะเราจะห่อของขวัญให้คุณ อยากผดุนที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะคาซสตาม